ช่วงแรกหนึ่งเราอแนะนเรื่องการสดมนต์สำหรับเพื่อนเราสามคนใเข้าใจก่ว่าทำไมเราส่วนเช้าชดย็น I would like to introduce about the how we chant together every day twice a day morning chanting and evening chanting but the style of chanting different Every temple, the do that every day twice t h a i But our style, we translate to Thai from Bali to Thai. But at the same time, my temple also we have the English also translate to the English. But you have it in a in the computer. But we cannot print for you on Thai. f o t the meaning of the chanting, if we don't translate to our language, that's even useless. Such a chanting may be uh, the symbol of magical power, magical energy. That is not our purpose. Our purpose that uh, we need to learn what they say. Also, f chanting we collect from the Buddha teaching. แต่สัมผัสสัม chanting uh, c ollect e d by Khan อมเมนต์อริทิเชอร์ไม is not exact The Buddha teaching in Thai chanting Buddhist monk they chant that the thing alas they collect from commentary teacher or uh, old teacher or monk in the former time is not the teaching of the Buddha That's the other purpose. We collect, the, especially the forest tradition or meditation, i n s i d e meditation tradition. We collect Buddha teaching become chanting for w a r d for learning what the Buddha said, what the Buddha give us the teaching. We collect such a teaching to be chanting again. t h a t make sense for us. We chant, but we learn the teaching of the Buddha at the same time. นั่นคือจุดปร e สงค r ดังนั้นเรา o รียกจากพื้นฐานของมัคคุเทศก์เป็นพันธุ์สองภาษาวันนี้เราเปลี่ยนวันนี้ขั้นตั a ข้าช่ามีดีปัญช h ณิผู้ปฏิเสธขั้นตัวผู้เดินแ a ่เขารู้ว่าเขาเดินที่ตัวที่ตัว when they standing he know himself he s standing s นี่สิโนวานี่สโนมาฮีติปะ a า a ต i the practitioner of meditation practitioner sitting any posture they know himself and sitting y a า a โนว a สย a n ุมาฮีติปะชา a n a the practitioner when they lying down they know by himself h e is lying down that The teaching of the Buddha we bring to chant. That's it. For example, so you don't you don't doubt about that. Don't skeptic about. It. Why they the chanting that it a lot? No, we r e chanting the teaching of the Buddha for the main point. Okay, lovers. So try to understand. ดังนั้นการที่เรารวบรวมคำสอนของพระเจ้ามาสวดเนี่ยเป็นประโยชน์มากทำให้เราลึกๆถึงว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราสวดตันเช้านี่เอง อันนั้นคือในสานักปฏิบัติที่เป็นสนักปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันเราจะทําแบบนี้แต่ว่าในสนักกรรมฐานอื่นหลวงพ่อไม่เขาได้ร่วมว่าเขาสวดกันแบบนี้หรือเปล่าแต่ในวิธีการของหนวงพเทียนตะมาเป็นเป็นพระรูปแรกที่ได้นำเอาสิริปัฐธานสี่มาสวดซึ่งก่อนหน้านั้นเราใช้ธรรมเนียมของส่วนมก ค, คือใช้สวดมนต์บทพิเศษเช่นบทที่ว่า พาราฮาเวบบที่ว่าอาติตังนานวาขามยะนปติกังเขอนาคาตังว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็คือล่วงไปแล้วนะ กัตถาวิปัสสติอาสังพีรังอาสังกูปังตังวิทามนุภูหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแทนเขาคนพอ่อปูนอาการเช่นนั้นไวเห็นไหมคำส่วนกับคำสอนมาด้วยกันว่าอธิตังนันว่าข้ามายานปฏิกัแค่ขีนนะักธรมบุคคลไม่ควรละลึกถึงวันชุดน็อตรีมาย The past. Don't worry about the future because the past and future, the past gone away, never come back. The future not yet come, never come to the present moment. Don't worry about that. But the p r a c t i t i o n e r should uh, know everything clear that w h e r e they are in the present moment, and try to accumulate s a c h a experience again and again.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 a uh, e the cause of our dying, our death every time. So we need to spend more time to accumulate the Buddha teaching or mindfulness every m i n u t e When the die come, the dead come, comes in. We ready to die. We ready to to, to s i e k We ready to pass away. We don't worry about that because we ready to be dead all the time. t h t the real meaning of that, you see, is a wonderful meaning. So we chanting it every day, really deeply and deeply, and really appreciate it. Yet why we are chanting every day, for e peace, about the teaching of the again and again, for the r i g e t the way o f t o e practice, for e m a k e our memory really strong when we practice like it. Instead, you are uh, distracted by thoughtfulness. by daydream but y o try to remind such a teaching of the Buddha is this rather than t h i n g something outside the sand why we chanting นันดังนั้นอนั้นหลวงพ่อพูดถึงความหมายว่า why we are chanting evening and the morning chanting our tradition okay สำหรับวันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงว่าที่เราแต่ขอทบทวนเมื่อวานนี้นิดหนึ่งว่าเมื่อวาน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 นั่นแหละคุณกําลังปฏิบัติปัญญาหลวงพ่อต้องถามคุณว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณทํำไหมถ้าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทําคุณอย่าทําให้เสียเวลาเนื่อยเปล่าแต่คุณต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณทําหลวงพ่อจึงมาถามคุณก็เลยให้คําตอบเขาไปเขาก็โอเคนะฮะหลวงพ่อจะไม่ปล่อยให้คุณทําให้เสียเวลาเวลาของคุณมีค่าหลวงพ่อของมีค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องเช็คว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณทํำไหมหลวงพ่อก็ให้เหตุผลเข้าไปอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อวาน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 But how we can call all a thing become one? All thing become one. How can we call such a thing? I ask a question. I need to listen to your answer. That's h a t We call form. What is that one place and one syllable form. But at the time, like we call r o o Okay, understand, girl? Yeah? Yeah, I give you a answer today, the real answer. And second question, I ask you: When you see everything the, the front of you, just every picture, all s o picture, the object, who is subject, who is seer, who is observer, who is the knowing, who is knower? The question. The answer is someone. Give me an e answer. Mind, heart, conscious is not correct. We call form and formless. Formless is mean name. e Thai l n g a g e n a m is formless. <laughs> correct? We can call conscious of mind, but it's not correct. Form and formless come together. Form n a m r o o r m is form. n a m formless easy. So second answer is formless.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 โมเลกุล or substance or we call entity พูดถือว่าสารและพลังงาน <c oughs> ในระบบวิทยาศาสตร์แล้วมันมี2ตัวคือสารและพลังงานแต่เรามาเรียกในภาษาศา ส, าสานาว่ารูปและนามสาสรคือรูป energy คือนาม matter energy why you don't let me know about that โอเค thank thank you thank you for you ริแมร์ริไมมี่โอเคสารและพลังงานแต่เอาภาษาภาษากรรมฐานว่ารูปกับนามโอเค matter and energy in the science s c i e n c language โอเคแล้วก็คำตอบว่า who know about that because mind ใจ แม้แต่ใจเนี่ยเราก็ใช้เขาว่าจิตบ้างมาโนบ้างวิญญาณบ้างแล้วอะไรล่ะที่เราใช้แต่แนวโน้มที่จะใช้คือวิญญาณคือคอนชเชสพอเราเอาเลยไปพูดภาษาตะวันตกเนี่ยเราไปว่ายูไหมว่าซิยูไหมฟูเน็ตเดย์จะแม t does not make sense but what you are conscious today Okay it makes sense how you conscious your bodybut conscious is the in the east tradition is a wrong meaning it d i s t o r t h e t d i s t a r t meaning because they mean the soul the spirit the วิญญาณ but the real meaning of the Buddhist concept is m e is a b o d i l y feeling b o d e l y knowing the conscious the real meaning b o d i l y conscious b o d e l y feeling b a d e l y uh, aware b a d e l y awake feeling that's consciousness okay because นามเราสามารถรวมทั้งใจทั้งจิตทั้งใจทั้งวิญญาณเนะ่ยเรียกว่านามคือเอเนจะน่ยแล้วใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้ผู้รู้ตัวนี้ได้แก่นามเหมือนกันแต่เขามีชื่อเรียกอีกอักอนหนึ่งว่าสติเพราะฉะนั้น c อนเซ็ปต์ตัวนั้นเราจะเรียกว่าสติก็ได้เราจะเรียกว่าไมโฟเนตก็ได้เาจะเรียกว่าอเวเนตก็ได้ เราจะเรียกว่าเซล a ์อวัเนตก็ได้เราจะเรียกว่า a อาเวกไม้เอาเ n m ิมก็ได้แต่ว่าลำดับของความเข้มข้นมันก็ต่างกันอย่างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นปัญหาข้อที่สามใครเป็นผู้รู้รูปและนามบางคนบอกว่าเราเป็นผู้รู้ในทีน่นี้คุณเคใครเป็นผู้รู้รูปและนามตอบนามรูป นามรูปไม่ใช่รูปนามคือสิ่งที่เราเห็นได้ตาหูจมูกลิ่นกายนามรูปคือสิ่งที่เรานาเอาสิ่งที่เราเห็นมาคิดเรียกว่านามรูปแต่ผู้รู้เห็นทั้งรูปนามและนามรูปคือใคราาคื อ, อปาาัญญาวิปัสนาญาหรือปัญญาแราเรียกวัญญาก็ได้แต่ถ้าปัญญามันกว้างไม่รู้ปัญญาทางไหนกันแน่แต่เราควรจะใช้คาว่าปัญญายานหรือวิปัสนาญาเป็นผู้รู้ผู้เห็น อันนี้สูงขึ้นไปนะแต่เราจะใช้คาว่าผู้รู้ก็พอไม่ต้องใช้คำว่าปัญญาญาณหรือวนะิปัสนาผู้รู้มันไม่ใช่รูปไม่ใช่น้ำแต่มันบียอนอยู่เหนือลูกเหนือน้ำนิดหน่อยเหมือนกับไฟเนี่ยเปิดปั๊บเนี่ยถ้าคุณเอาหลอดสีแดงไปปิดไว้ตรงนี้ไฟที่ออกมาก็เป็นสีอะไรสีแดงถ้าหลอดสีเขียวคุณสวมเข้าไปปับ๊บ แสงที่ออกมาก็เป็นสีเขียวถ้าคุณสีเหลืองไปสวมปับ๊บมันก็ออกมาเป็นสีเหลืองแต่คุณเราไปตั้งสามแยกสีแยกไฟเหลืองไปเขียวไฟแดงมีเอฟเฟกต์ดอกคุณใช้รถใช้ถนนใช่ไหมแต่บางท่างนี้มันก็คือไฟธรรมดาไอ้ตัวที่เป็นไฟธรรมดานี่เองเราเรียกว่าวิญญาณหรือความรู้ตั้งรู้อารมณ์แต่พอเราไปแยกใช้วิญญาณเรี่ใช้ว่าสติบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมาธิ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 จะทำอย่างไรเช่นช่วงนี้ถามว่าที่หลวงพ่อนั่งหลวงพ่อรู้ตัวไหมพวกเรานั่งงพ่อรู้นั่งรู้ตัวไหมแต่ถามว่าเอา้าคุณต้องหยิบหนังสือขึ้นอย่างมีสติคุณก็เอื้อมมือไปอย่างมีสติหลวพ่อหยิบแก้วน้ำอย่างมีสติตรงนี้คือความรู้สึกตัวมาทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ของ mindfulness m i n d f u l touching m i n d f u l p i n g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 แต่ทำหน้าที่สติสมาธิปัญญาในเวลาเดียวกันเข้าใจไหม Yes ขอโอกาส I I talk about the we call such an energy consciousness in the body Nama or น้ำ we call consciousness c o n s c i o u s n e s but o l some mental function we have five five factor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 Each, each movement i uh, can make the needle, our needle, minute needle, second needle move all the time and tell us the time what time now. But exactly is uh, the the c e t a movement, certain movement only that, but can make the needle tell us the time that we call. เคราะห์ไม like ่ฉีดฟังชันเดียส m i องอ e เด n ม t อลฟังชันนั่นคือเรียกว่เกิดดับเกิดดับลักษณะเกิดดับของขัน5้าคืออย่างนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ขณะที่เกิดดับมันคอนเทนด้วยไฟฟังชันเอาดูม n เ a ท Function o k เ y but can't e l l us the ดังนั้นข้อสอบวันนี้หลวงพ่อถามเลยแล้วคุณไปเดินทั้งวัน หน้าที่ของการทำงานของใจเมื่อออกมาให้เราได้รู้ได้สิ่ความหมายเราเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทำไม่ดีนะหน้าที่ของจิตคิดแต่ละครั้งออกมาให้เราได้ใช้อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งโลกทัทง้งธรรม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 เมื่อนํามาใช้ในสังคมโดยทั่วไปเราเรียกมันว่าอะไรข้อสบอบคนหนึ่งนะโอเคแค่นั้ น, น, นทุกอย่างในนามของมันเราจะเรียกว่าอารมณ์เรียกว่าความคิดมโนผัพจินตนาการอะไรก็ตามแต่ใ น, นนามของมันจต่เราเรียกมันชื่อเดียวเราเรียกว่าอะไรเหมือนเมื่อวานนะถ้าคนที่ไม่รู้สธรรมะจะตายได้ไมอายอย่าพยายามถามเพื่อหาคําตอบ เพราะอันนี้คือปัญหาเดี๋ยวจะได้คาตอบด้วยก่อนมัไม่ใช่เมื่อวานยังมีคนตอบถูกเลยคือรูปง่ายๆถ้าคิดซับซ้อนมันจะตอบไม่ได้ถ้าคุณคุณแพทย์ถ้าคุณใช้ความคิดคุณจะตอบไม่ได้คุณต้องใช้ความรู้ใช้ความจำจะค่ะใช้ความจำก็ตอบไม่ได้แต่ใช้ความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวไป้แล้วมันจะพออัพขึ้นมาเองในคาตอบอันนั้น นี้สระบะต้องตอบได้เดียวกันแต่ตอบในคําในภาษาของเขาแต่ภาษาของเขาและของเราออกมาความหมายถูกก็ถือว่าตอบถูกตอบถูกเช่นคุณถามฉันหลวงพ่อถามว่าเครือรถอะไรทุกคนชิมเกลือแล้วตอบภาษาเดียวกันหมดเลยแต่ตอบในเป็นความหมายเดียวกันหมดแต่ละคนภาษาไม่เป็นไรฝรั่งเศสอาจจะตอบภาษาหนึ่งอเมริกันอังกฤษตอบภาษาหนึ่งคนไทยตอบภาษาหนึ่งแต่รถเกลือก็คือ รถเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกัน yes Glenn Robert Amanda pay more attention the question for today okay v e difficult to explain but but I will try forget try to forget it when we see we hear we smell we taste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 Thinking, thousand thought, but you can call such a thing only one name. What is that? Understand, a m n d a Okay. Today you're looking for such a word. พ o u have talked y e s t e r d a a y a no t word. One not w o objects. o o e c t s y a n e o b e c t a y two ori two phase yesterday only one f a c e okay the answer only one f a c e one meaning today two phase one meaning contain many thousand thing in that d i f f e n t h a t is the question ดังนขอโทษ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 และจนกระทั่งบัดนี้มันยังเคมเหมือนเดิมหรือไม่ทุกคนจำได้เลยไม่ต้องนึกใช่ไหมไม่ต้องนึกการที่เรารู้สิ่งนั้นโดยไม่ต้องนึกเราเรียกว่าญาณปัญญาเราเรียก Experience ดังนั้นในอารมณ์รูปนามก็คือเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันสำเร็จ สำเร็กี่ปอ์เอย่างน้อย2ี่สิบปอร์เซนตถ้าคนไหนสามารถเอากายมาอยู่กับใจได้ถึงสามสิบปอร์เซนต่อนาทีต่อชัว่วโมงคนนั้นลูกนามโปนั้นก็จะเข้มแข็งบางคนสามารถดึงกายกับจิตมาอยู่ร่วมกันสัมผัสกันได้ตลเวลาถึงห้าสิบปอร์เซนบางคนได้ไปทำได้ถึงแปดสิบเปอร์เซนตแต่ 100% ยปอร์เซนยังไม่ถึงอย่าแต่ในในัดแรกเราเอาแค่ยี่สิบเอร์นไว้ก่อน ทุกนาทีเรารู้สึกตัวโธ่พร้อมถึงยี่สิบเปอร์เซ็น์เสมอแต่เราอนุญาตให้ความคิดและอารมณ์เข้าได้เพียงแปดสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าคนไหนสามารถอัพในความรู้สึกตัวโธ่พร้อมได้นานถึงเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปเนื้อที่ของความคิดและการปรุงแต่งก็จะน้อยลงน้อยลงเลนั้นคือเนื้อที่ของสติปัญญาและญาณความคิดก็จะถูกถอยออกไปถอยออกไปเราเรียกว่าอารมณ์นั้นว่า รูปนามอย่างน้อยรู้จักความรู้สึกตัว 50% เ็พอใจแล้วรูป50รูนาม50คือรู้กาย 50% รู้ใจ 50% มันก็ไปน 100% นะเพราะฉะนั้นเราไม่หวังเรื่องขนาดนั้นเราหวังแค่อย่างสูงสุดในเซนชันนี้เอาแค่ 25% พอครึ่งเดียวเข้าใจัหมเข้าใจนะไม่ซับซ้อนนะ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 คือเย็นล้อนอ่อนแข็งเค่งตึงพุนสัมผได้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าลูกหรือหนาอ่านี่คือคําถาม mini q u a t i o n สําหรับที่นี่ minor question ว่า in our body when you see the body working moving sitting and changing and if you can contact i n by direct way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 e breathe in and out. At least, your blood circulation, a beating, you move. in. that we call the feeling, the second. But the vedana of feeling can be two functions: can be rupa and nama, can be form and formless. The same time, d h n a n vedana jing b e n d a i thang rup and นามในเวลาเดียวกันเวทนาถ้ามันเวทนานั้นมันเกี่ยวข้อทางกายเราเรียกเวทนานั้นว่าเป็นรูปแต่เวทนานั้นมันเกี่ยวข้องทงจิตเช่นความรู้สึกไม่พอใจเป็นเวทนาทางจิตเราเรียกความรู้สึกนั้นว่านามแต่ถ้ามันออกมาเป็นพิกเจอร์เราเรียกมันว่านามบารูปเช่นรู้สึกคิดถึงแม่รูปแม่มาปรากฏแล้วความอยากจะไปพบแม่ มันเป็นได้ทั้งนามและนามมารูปในเวลาเดียวกันดังนั้นตัวเวทนาจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรูปกับนามเข้าด้วยกันเวทนาจึงมีบทบาทมากดังนั้นวันนี้คุณจึงไปทาข้อที่สองคือเรื่องเวทนาคือไปสังเกตเวทนาสาหรับพรุ่งนี้ รูปทั้งหมดเลยสัญญาสังขารวิญญาณในวันเดียวแต่วันนี้เนื่องจากเวทนามีรายละเอียดสูงมากคุณทําวันนี้วันเดียวอาจจะไม่จบแต่ถ้าคุณทำอย่างถูกต้องมันอาจจะจบภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นเองคุณนั่งคันนี้รู้สึกอะไรบ้างนั่งมานานเป็นชั่วโมงน่ะรู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ที่ค้นคนุณร้อนร้อนใช่ไหมนั่นแหละใช้การคิดหยจะต้องถึงจะรู้ไม่ต้องคิดใช่ไหม เราเรียกตรงนั้นว่าเวทนาแต่เวทนาส่วนใหญ่นาที่นาเซนมันเป็นสุขเวทนาทุกทุกเวทนาทุกขเวทนาเห็นชัดสุขเวทนาปรากฏตรนไหนนี้เดียววิลิสเซ่นฟิวเซ่นในขณะที่คุณเปลี่ยนจากท่านั่งซึ่งมันหนักมากพอ เ, เปลี่ยนไปปั๊บอะไรปรากฏความเบาปรากฏความเบาปรากฏ เ, เ, เราเรียกว่า สุขวเวทนาแล้วเวลาคุณนั่งลงไปอีกทุกเวทนาเริ่มต้นอีกแล้วเห็นไหมชีวิตนี้คือมีทุกข์กับทุกข์เท่านั้นทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นดับไปไม่มีอะไรพระไม่มีทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับคุณถามปัญหาดีมากแล้วห <c oughs> ลัลกในการมองกานดูเขคำตอบว่าเราต้าองทำยังไงถึบว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมร้อนก้นแล้วผมครับ ทำมนะครับแล้วเราต้องดูยังไงครัาเราก็ไปดูมันรองเบๆยังไงนี่นะครับหรือว่าคือผมไม่เข้าใจว่าเราเราจะไปกำหนดจะไปดูันึกถึงนีรครับเนื่องจากจิตของเรามีความถี่สูงมากเราสามารถรู้ในเวลาเดียวกันได้ถึงหกอย่างตาคุณเห็นคุณก็รู้ว่าหลวงพ่อกำลังพูดใช่ไหมหูได้ยินในสิ่งที่หลวงพ่อพูดคุณก็เข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้ฟังก์ชั่นทางจมูกไร้รสยังไม่มีคุณไม่ต้องไปนึกถึง คือกินไม่มีรสไม่มีมีมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ปรากฏขณะนี้แต่ความสับัะเย็นแล้วนอนแข็งมีอยู่ไหมขณะนี้ทางกายมีคุณรู้ไหมว่าคุณรู้สึกอะารคุณคู้หนักกลแล้วก็รู้สึกคุณรู้ร้อนนีรู้ใช่ไหมในขณะเดียวตาคุณก็เห็นคุณก็รู้เรื่องหูได้ยินด้วยและกายคุณสับปะไลยคุณก็รู้เรื่องจิตคุณขณะนี้คุณคิดคําถามขึ้นมาคุณก็รู้ด้วยคุณอย่าถามอะไรใช่ไหม นั่นแหะจิตมันทาหน้าที่ในเวลาเดียวกันเอวอริสเซกันที่ทำหน้าที่ได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณยกมือตรงนี้แล้วคุณจะไปรู้ตรงที่ก้นมันหนักได้ไหมคุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะแค่แค่สองฟังก์ชันกันนะเด็แต่ในขณะเดียวจิตมันสามารถรู้ได้ถึงหกฟังก์ชันในเวลาเดียวกันแต่สองฟังก์ชันนี้สบายมากเพราะฉะนั้นคุณนั่งโดยสร้างจาังหวะโดยรู้สึกตัวโดวยคุณทําได้เพราะความจิตของความถี่ของจิตสูงมากเข้าใจไหมโ okay. อเคจะแต่ให้เขาฟังหน่อย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 Check. It. We have warm feeling, hot feeling, and cool feeling. Cool. Yeah. Okay. You need to check it very really clear. Otherwise, you cannot get the real answer. But from yourself, i t s not my question. This is not my answer. But you can get the real feeling from yourself. That's it. The real answer. Exactly what now? No. i t t l b e cool, little b e t hot, mm -hmm. heavy. Yeah, many many bodily feeling you can see it now at the same time. So our my really high frequency, we arrive the bodily formation, mental formation appear now. But you can see through such a thing without thinking. We call experience. We call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 as a b o d feeling we call รูปนามเวทนาเป็นรูปนามเวทนา as a นามะรูป when you feel the mental feeling like you feel like or dislike happy or unhappy that the mental feeling we call นามรูปะ understand o k a ดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจกันเป็นจริงเป็นชัดชัด จะมาโมเมหรือเดาไม่ได้เด้ขาดเพราะมันคือแฟกต์เพราะมันคือชุดแต่คนไม่เห็นแฟกต์ไม่เห็นทุดจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องสัมผัสลงไปในสิ่งที่เป็นแฟกต์คุณจะคิดออกมาได้ในเรื่องธรรมะคุณจะเดาเอาไม่ได้คุณจะอิมเมดไม่ได้แต่คุณจะคอนแทคไดเรกต์คอนแทคคุณจะเรียไรซ์คุณจะเอ็นไลเทนมัน by direct way นะตอนนี้เรื่อง สองภาษาลุ่มสับสนแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ภาษาก็ต้องต้องต้องฟังนิดหนึ่งดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องทำอย่างตั้งใจ เมื่องนั้นแล้วเราจะเห็นว่านักปฏิบัติกับปรฐานในทั่วโลกนี่ไม่ไม่น้อยเลยเป็นแสนแสนล้านแต่เราจะเห็นคนสักคนพบคนสักคนที่ <c oughs> เข้าใจได้รู้เรื่องนี้อย่างแจง่มแจง้งบอกให้เราเป๊ะเป๊ะลงไปเนี่ยเราจะพบได้ไม่กี่คนเพราะอะไรความชัดเจนในการทําความจริงใจในการทําความศรัทธานในการทําต่างกันความพยายามต่างกันสติปัญญาต่างกันมันคือออกมาอย่างนั้น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 สร้างวัดมีศรัทธาในการถวายทานมีสถานในการรักษาศีลมีสถานในการภาวนาะถามว่าพอไหมไม่พอรวมศรัทธาทั้งหมดถ้าบอกว่าคุณมานั่งกรมรมฐานทั้งวันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยคุณจะยกมืออย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลไม่ต้องรู้สึกเอว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยแต่คุณทําพ่อรู้และเข้าใจเนี่ยศรัทธาแบบนี้มีไหม มีแต่ยากมากใช่ไหมยากมากฉันนัง่งฉันได้อะไรฉันนั่งไปทําไม a lot of thinking come to disturb you h a v e to bother you ดังนั้น so glad everybody had their faith had their confidence but different level of the faith different level of the, of the faith but beyond a l of that How we can get the right faith or right diligence? c o so make a c o m m i t e n c e have diligence, right efforts. Okay, <laughs> that's really important. In Buddhism, we need to emphasize about right. R i g h t, okay. Right, can I get the correct pronunciation? Right, we emphasize. ดังนั้นในมรรคแปดเราจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าสัมมาทุกขาไปเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไอ้คำว่าสัมมาตรงนั้นมันหมายถึงอะไรร้ายแต่เรามาแปลภาษาไทยว่า เห็นชอบคิดชอบไอ้คำว่าชอบกับไร้เนี่ยมันความหมาเดียวกันหรือลึกหรือคุณละความหมายคุณติดใช่ไหมแต่ในภาษาไทยคำว่าชอบกับถูกต้องเนี่ยมันต่างกันหรือมันเหมือนกันใช่ไหมนี่คือความภาษาที่เป็นอุปสรรคผมไม่ชอบคุณแล้วผมชอบคุณนะแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมชอบคุณอ่ะมันอาจจะ ใครจะชอบไม่ชอบแต่ผมชอบคุณแต่การชอบหรือไม่ชอบของเรามันอาจจะผิดก็ได้มันอาจจะไม่ไร้เสมอไปใช่ไหมคุณแพทย์นี่คือภาษาทําให้เราสรับสน <c oughs> ความยากของการเข้าใจคือเราไม่มีภาษาที่เป็นป ร, รมัติภาษาเอาทิวเต็ดลังเต็ดเราไม่มีด้วภาษาใจเราจึงยืมภาษาที่เป็นสมมุติมาใช้มันจึงสับสนยังไงนี่คือความล่าช้าของผู้ปฏิบัติคือไม่เข้าใจภาษา แต่ถ้าอาจารย์ผู้ฉลาดในการใช้ภาษ า, าจะช่วยเราได้เยอะในการแยกย่อยเห็นตัวระหว่างตัวสมมติกับตัวสภาวะเราโชคดีถ้าได้พบอาจารย์อย่างนั้นซึ่งเราหาได้ยากมากว่าอาจารย์ที่เป็นผู้นิ ล, ล, นลกติปฏิสามพิทาคือแตกฉานในการภาษาใช้ทั้งภาษากายภาษ า, า, าใจได้ตรงสภาวะเราหาได้น้อยมากอย่างน้อยพระองค์นั้นมีปฏิสัมพิธามีคุณสุบัติพิเศษมีปฏิสัมพิธาสี มียภิกษยาหกจะใช้ภาษาได้ถูกต้องกับสภาวะนี้คือคุณสมบัติที่พระอาหารหันต์ได้นั้นท่านไม่ได้ใช้เพื่อไปอวดคนท่านมีใช้เพื่ออวดตัวว่าฉันเป็นพระอริยะฉันเป็นอันนั้นผิดอันนั้นไม่ถูกแต่คุณสุบัติที่พระอาหารหัท่านได้ท่านนํามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคนอันนั้นถึงจะถูกแต่ในอ า, าราพราหันว่าเราเป็นไงโปรโมท ต, ตัวเองลูกศิษย์โปรโมด ต, ตัวเองคนนั้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระเยซูเจ้ามันเพี้ยนไปหมด ในสังคมนับปฏิบัติของเราเราก็าวิ่งหาพระอรหันต์ด้ใช่ไหมเราก็าวิ่งหาพระริยเจ้าแต่ไม่ได้วิ่งหาความจริงอันนี้และความหมายก็าชอบกับคำ ว, ว่าไร่เห็นไหมมันทำให้ผิดเพี้ยนไปเยอะเลยดังนั้นเองเราบอกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสมมตินะอย่างหนึ่งนะว่า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 มีใครไม่ใช่พ่อแม่ของคุณจนะมีใครปฏิเสธบ้างไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยนี้เขาเรียกว่าสมมุติภาษาคือเป็นพ่อแม่ของเราจริงๆถ้าชี้พี่ชี้น้องทุกคนก็ยอมรับ ว, ว่าเป็นพี่น้องของเราจริงๆไม่ผิดตัวแต่ในแง่สมมุติภาษาถูกต้องทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ในแง่ของปรมัภาษาไม่ใช่พ่อแม่ของเราไม่ใช่เสียแล้วถ้าพูดโดยปรมัตถภาษาพ่อแม่ของเราก็คืออะไร อันนี้หลวงพ่อไม่ได้ถามปัญหาที่สูงขึ้นไปเพราะคำถามนี้คุณตอบมาแล้วเมื่อวานพ่อแม่ของเราก็าคือรูปนั่นเองแต่มันเป็นอะไรเป็นปรมัตถภาษาแต่ถ้าสมมติภาษาสองคนนี้คือพ่อแม่ของเราถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพรา ะ, ะนั้นความจริงจะมีสองอย่างเรียกว่าสมมติสั จ, จและประมัตถสั จ, จ พ่อแม่ของเราเขาถูกต้องตามสมมติสัจยาแต่พอไปราปรมาสัยจยาบอกว่าพ่อแม่ของเราถูกไหมไม่ถูกแล้วแต่เราเรียกปรมาสัยจยว่าอันนี้คือรูปคุณแกลม Unfortunately I cannot explain the, the, the, this language ิ e ์ l ดิสเ f นเก ไ e ่เ d ยดีไปไม่เลยพออันพออยู่ไหนหรือพออย r ่ y ันสั้ y หรือยูไทร์ยูนิสินบายอยู่ดูไม้นะคอนแทคมีบาดูไม้ไม้ทุ่มไโอเคแล้วแบบอันพออยู่ไหนด่าจะอยู่ลิม i ตช t นยูลิ about the language we talk we talk about the ultimate language now ดังนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิมันจึงเป็นประมมัทธภาษา เช่น .definition we talk about the right the definition of right understanding or right view in the บ l i t g e we call s a m m a t i ฏ t i in the definition we have two kind of definition s u p p o s i t i o n and ultimate subposition truth as uh, so m o o t h and ultimate truth p a r a m โอเควันนี้เราจะตอบกันเรื่องนี้ เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องลูกนางแต่วันนี้แย่ไม่หน่อยเอาข้างไว้ตรงนั้นก็แล้วกันเพราะว่าถ้าไปไกลกว่านี้พวกเราตามไม่ทันแต่อันนี้หลวงพ่อพ ก, กาลังพูดอยู่ในวงรูปและนามที่ถามเราเมื่อวาน <c oughs> ดังนั้นในขณะที่เรามีทุกขเวทนาอยู่ตรง น, นี้ถ้าเราบอกว่าเราปวดขาอันนี้เป็นสมมุติภาษาหรือปณญญาภารภาษา <c oughs> สมมุติภาษาว่าเราปวดขา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 ทุกขังอนัตตานั่นคือปรมตัตถภาสาแต่ในสมมติก็คือผมปวดาขาครับไอหนูเอายานี้ไปใส่เดี๋ยวหายจบเข้าใจรู้เรื่องใช่ไหมนั่นคือความยากของวิปัสนาถ้าเราไม่เข้าใจรูปนามเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปนามเบื้องต้นจึงเป็นอารมณ์พื้นฐานที่สำคัญมากถึงแม้ว่าในแง่ของเบื้องสูง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 เราจะหาคนที่เข้าใจเรื่องนี้แจ้งแจ้งสักค น, น, นเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นเองอย่าคิดอย่านึกเอาแต่สัมผัสเอาในขณะนี้หลวงพ่อกําลังบอกให้พวกเรารู้ว่าขณะนั่งตรงนี้คุณรู้สึกอย่างไรรู้ไปชัดๆนั่งนานโดยที่ไม่เปลี่ยนรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมรู้สึกปวดรู้สึกร้อนรู้สึกกระหูนกระวายอันนี้เป็นทุกขเวทนาทางไหม ทางกายแต่ถ้าเราขาดสติขาดสมัมมาชัยญในการกำหนดรู้อย่างนี้อันนี้คือกายกำลังเป็นทุกขหังอันนี้อย่างอนาตาถ้าเราไม่รู้อย่างนี้มันก็เอฟเฟกตต่อจิตเอฟเฟกตต่อนามของเราใช่ไหมเราก็จะรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจงุดหงิดลำคาญเมืนะ่อไหร่ในหลวงพ่อจะจบสติฉันฟังมานานแล้วฉันอยากยอกไปเดินมันจะคิดอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้น เรียกเกิดว่าเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังนะหนาตาผ่านจากกายทะลุถึงอะไรทะลุถึงใจแล้วใจมันึคิดออกมาแบบนั้นนี่คือบทบาทของสติที่เราจะต้องเข้าใจถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมัมผัะเราไม่สามารถกั้นทุกเวทนาที่เกิดจากรูปให้ไปสู่ทะลุนามได้แต่ถ้าเรามีสติสมัมผัสปวดเสร็จแล้วพปวด ไม่ใช่การปวดนี้เป็นสัตว์ไหมเป็นบุคคลไหมเป็นตัวเป็นตนไหมไม่มันคืออะไรมันคืออาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเรียกมันว่านามเรียกว่าปรมัติชเช่นไหมคุณมีสตริรู้เพราะนั้นสั้นสั้นที่สุดตอนนี้หลวงพ่อจะอนิฐานแทะเข้าไม้เห็นภาพขันเพื่อว่าจิตของเราจะลดลงไม่ลึกตรงนั้นเกินไป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 สินค้านั้นจมทะเลไปคนจระเข้นก็หนีตายไปคนละทางประกุฎาในพะยียาธารุจิเรยาก็ว่ายน้ําหนีเนื่องจากว่าแกอยู่ทะเลมานานแกรู้จักวิธีเอาตัวรอดจนกระทั่งว่าคลื่นใหญ่ได้ซัดแกไปขึ้นฝั่งฝั่งหนึ่งพอดีในฝั่งนั้นเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่คนเลื่อมใสสตรายในดัชที่ของท่านมหาวิระคือดัที่นุ่งร่มผงฟ้านิกายเสเ ว, สเวตํมพรนั่นคือนิกายชีปเปลือย ว่าคนไหนเป็นถือนิกายชีเปลือได้คนนั้นเป็นพระหรหันต์ของเขาสามารถแก้ผ้าได้ทงทงทีนี้โดยเหตุการณ์พาไปก็คือว่าเมื่อเขาถูกคลื่นซัดขึ้นทะเลผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวไม่มีอะไรเหลือเลย mm hmm. เขาก็เลยเป็นเปลืยไปโดยเหตุการณ์โดยอ mm ุบิเหตคนทั้งหลายที่มาเห็นก็ดีใจว่าเขาคือพระหรหันต์ นายพยาธุริยะก็เลยต้องตกกระไดพอยจนูนเมื่อจะบอกว่าไม่ใช่คุณเราก็อย่าจ่ายเพราะไม่มีอะไรจะกินเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเริ่มใส่ว่าเป็นพระหานคนทั้งหลายก็นําอะไรลาบสกาละอาหารหวานข้าวต่างๆมาบูชามาถวายเขาอาศัายความเข้าใจของชาว บ, บ้านแบบนั้นเป็นอยู่ชาว บ, บ้านเข้าใจว่าเขาเป็นพรานแต่เขารู้ลึกๆใจใจว่าเขาไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นอยู่นี้ไปหลายเดือนหลายปี แต่แววแววมาว่ามีคนที่เป็นพระหลานจริงอยู่เกิดขึ้นแล้วในตามประวัติและในอดีตชาติเขาเคยปวดมานานเพราะฉะนั้นมันก็เมื่อได้มีนข่าวนั้นปักเหมือนกับว่าไอสิ่งที่เคยมีมาหลายภพหลายชาติมันเป็นคลิกกับไอสิ่งที่เขาได้ยินนั้นว่าพระหลานเกิดขึ้นและพระหลานรูปนั้นอยู่ที่พระเชษวันห่างจากที่นี่เป็นระยะทางถึง400ไมล์โอ้โหจะไปยังไงในสมัยนั้นระยะทาง400ไมล์เขาเลย หนีออกจากสำนักในคืนต่อมาแล้วก็เริ่ ม, มาหาทางเดินหาทางไปสู่จุดนั้นหลายวันจนกระทึ่งช้าวันหนึ่งไปทะลุถึงที่พระเชตวันไปพบพระพุทธเจ้ากับพระสาวกกําลังกินบธบะอยู่ก็เข้าไปถามด้วยกระปกุกะเพียวเพียว<ๆ><ๆ>แ ล, ล้วเกนเดินมาทั้งคืนทั้งวันกินบ้างไม่ได้กินบ้างเข้าๆไปถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ลอาเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งเป็นมาอย่างไรโดยย่อ แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าอยากทราบความเป็นพระรหันต์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรเพราะข้าพเจ้าถูกสมมุติถูกแอบพอถูกอ่าสมมุติว่าเป็นพระรหันต์มานานแล้วแต่เรื่องเแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่พระรหันต์แต่ข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่าความเป็นพระรหันต์ที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอุบาสก ต, ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมตถาคตกําลังบิดาบัดขอให้เธอรอ ก, ก่อน mm hmm. เดินไปนิดเขาตามไปอีก ข้าแต่ปรุงโปรดให้คําตอบแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้ารู้ดีแก่ใจว่าข้าเจ้าอาจจะอยู่ไม่ได้ไม่นานข้าเจ้าเหนื่อเหลือเกินผู้ริจ้าตรวจสอบทันทีเลยว่าสกากรรมศัตรากำวิบากรรมของเจ้านายคนนี้เป็นอย่างไรหลังเกิดเธอรู้แน่ว่าเขาอาจจะตายไม่กี่ชั่วกี่นาทีในข้างหน้านี้พู้ริจ้าก็แสดงครับดูก่อนภาริยะทารุจิริยาเมื่อเธอเห็นรูปด้วยตาให้กําหนดรู้ว่าสัตว์ว่าเห็น อย่าขยายรูปที่เห็นว่าเป็นอะไรเห็นรูปสัตว์รูปเมื่อเธอได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้สัตวะได้ยินอย่าไปคิดจินตนาการไปเรื่องเหล่านั้นว่าเป็นอะไรให้ได้ยินแล้วก็จบเมื่อใดเธอรู้อารมณ์ด้วยใจสิ่งใดก็ตามันมาคบใจให้เธอได้นึกได้คิดเธอรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริง สัตว์วารู้มรเมื่อใดเธอทําใจได้อย่างนี้เห็นสัตว์เห็นได้ยินสัตว์ไดินรู้สัตว์วะรู้นั้นคือความเป็นพาาระอรหันต์อยู่หน้าตรงนั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการขึ้นไม่มีการลงไม่มีที่ใกล้ไม่มีที่ไกลไม่มีอยาก ไ, ไม่มีละเอียดนั้นคือความภาวะเป็นพระอรหันต์เขาเอไลท์ทันทีเลยเอไลท์เมนททันทีเลยแล้วก็ขอบวชข้าพเจ้าขอบันประชาะในศาสนาของพระองค์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 พยยะเธอจงไปหาผ้ากาสาวัฏมาในสมัยนั้นผ้ากาสศวัฏหรือผ้าที่จะมา ท, ทํากีวรได้หาได้สองแหล่งเท่านั้นคือที่ป่าช้าและที่กองหยักยื่นกองขยะทําไมที่ไปหาได้ที่ป่าชา้าเพราะเป็นผ้าขาวที่เขาห่อสุกเอาไปเผาแล้วเขาเอาผ้าขาวทิ้งไว้โดยที่ไม่เผาเอาผ้ามันค้างไว้จำเป็นมาเพราะเขารู้ว่านักบวชนักพรตในสมัยนั้นเยอะอาจจะเป็นประโยชน์แก่ขขเขาเขาก็จะไม่เผาเดยเป็นที่รู้กัน แต่วันนั้นเขาหาป่าช้าไม่เจอเขาก็ไปเจอกองขยะกองขยะอาศัยว่าชาวบ้านเวลาเย็บผ้าตัดผ้าอะไรแล้วมันผ้ามันเสร็จมันเหลือก็ไปทิ้งกองขยะในขณะที่เขาไปหาผ้าเก็บผ้าทเจอชิ้นชิ้นดำกองขยะชาวบ้านก็ปล่อยวัวควายออกมาจากเล้าจากแหล่งไปหากินตอนเช้าทีนี้ในบ้านนั้นที่ใกล้ที่สุดมีวัวแม่ลูกอ่อนคู่หึงวิ่งออกมาจากเล้าแล้วตามปกติวัวควายพอออกมาจากแหล่งแหล่งแรกที่มันไปหากินก็คือกองขยะ หากินเส็จใบตองใบหญ้าในกต่างที่ชาว บ, บ้านเอาทิง้งง่ายที่สุดทีนี้ไอ้ลูกวัวตัวเนี้ยมันดันวิ่งไปใกล้ไก่พ า, าิยะทุลทาุจิริยะแม่มันก็รู้ว่าไอ้คนนี้มันจะทำรายลูกมันมันก็วิ่งเข้าไปชนอย่างแรงพายยะทารุจิริ ย, าายาาตายทันทีเสร็จแล้วผู้ดิจ้าปิณญบัติกลับถึงวัดอุบาสกบาศิกาก็ตามมาถวายอาหาร แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าคนที่พระองค์กําลังพูดด้วยเมื่อกี้นั้นถูกหัวขีดตายเสร็จแล้วพิสูจทั้งหลายก็โจอัดยันกันอ้าวเมื่อกี้พระพองค์บอกว่าบุคคลนี้เขา้าเข้าถึงภาวะอราหันต์แล้วทําไม อ, อราหันต์ตายง่ายอย่างนี้แล้วก็ตายด้วยชะตากรรมแบบนี้เป็นเรื่องเลยทีนี้เอามาโจอัดยันแต่จริงหรือเปล่าพุทธิย่าพูดอะมั่วหรือเปล่าใช่ไหมก็โจอัดยันกันแบบเนี้ย ม้วนิบลูกบาศกสมัยเนี้นะครัก็บอกว่าผู้ไิ้ย่อดได้ยินข่าวเรียกประชุมทันทีในกรณี้หลังจากฉันเราเรียกประชุมแล้วพระ อ, องค์แสดงธรรมเรื่องนี้พาหีพาหีไรสูพรหียาทวารุกิเรสูเรื่องนี้อก<ม>ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้มีความเป็นมาท่านไปยกนิทานมาเล่าว่า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 เกิดความรู้สึกอาฆาตมาร้ายมาก่อนที่เขาตายว่าฉันจะจองล้างจองผานแก่ทุกพกูตทุกชาติตั้งแต่นั้นมาเขาจองร้องจอ ง, จองล้างจองผานจะมาเรื่อยๆเขาเกิดพบก็นชาติไหนเขก็ฆ่ากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งชาติสุดท้ายนี่ผู้หญิงคนนั้นเกิดมาเป็นแม่ลูกอัวไม่ลูกอ่อนไหยะทาลุจิยะก็เกิดมาเป็นนักบวชอย่างนี้แล้วก็มาฆ่ากันในชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายถึงแม้ว่า กัวมวิบากกรรมั้งหลายจะสนองก็มันเป็นเ็จกรรมที่จะต้องตอบสนองแต่ว่าจิตของเธอไม่ได้สวยทุกขเวทนาแล้วเพราะจิตของเธอเข้าถเพภาวะอาหันแล้วนี่คือความเป็นมาอันฟอร์จูเนียกินแกง hard ฮาร์ดอันนี้เป็นโมทายโอเคอ a ลเตอร์อัลเตอร after ัลเตอ b ์อั k เตอร์เบรฟฟันโ t เคไอวินทอวิททร y โอ o ิโอเคโดนโซเลียบอด o นโอเคอ e ลจิเนีย ช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยดังนั้นนี้คือเรื่องว่ายากไหมเนี่ยความเป็นพระหันนี่ยากไหมได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเห็นสักแต่ว่าเห็นคิดสักแต่ว่าคิดรู้ซื่อๆรวมแล้วรู้จากมันซื่อๆคุณเห็นอะไรก็คุณเห็นเฉยๆไม่ต้องคิด คุณได้ยินอะไรก็ได้ยินเฉยๆไม่ต้องคิดถ้าเรื่องอะไรเข้ามาในใจคุณก็รู้เฉยๆว่ารู้ไม่ต้องคิดยากหรือง่ายฟังดูง่ายแต่ทำยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์มันจึงยากอย่างนี้แหละแต่ทําได้ใช่ไหมไม่รู้เมื่อไรครับอ่าคุณต้องสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์คือ top of the human life เพราะฉะนั้นมันจะได้บาโดยง่ายไม่ได้ท่านจึงแบ่งไว้สี่ระดับระดับแรกคือก่อนที่ไปถึงพระลานก็คืออะไรระดับแรกบันไดขั้แรกจีนเมนเทอร์เรียกว่าพระโสดาบันใช่ไหมอันที่สองเรียกว่าพระสกิยาคามีอันที่สามเรียกว่าอานาคามีอันที่สี่เ ah รียกว่าอานาหารเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงพระวันนัคุณต้องผ่านสามด่านนี้ก่อน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 พ ร, ระกรรมฐานอย่างนี้นะ่าปรารถนาหน่อยคุณจะเป็นคนจนคนรวยไม่สําคัญขอให้ พ, พบพระกรรมฐานที่แท้จริงขอให้พบพระอริยะปรารถนาได้เราจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะ <Okay. S 1> ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังมากในสมัยขราพพุทธกาลเพรานะฉะนั้นในเมื่อผู้ทีเจ้าแสดงธรรมในสมัยครั้งพุทธกาลทําไมจึงคนบรรลุธรรมเห็นธรรมได้เร็วเพราะท่านพูดตรงๆอย่างนี้แหละไม่มีอ้อม้อม แล้วก็ไม่มียกชาลูนิทานอะไรให้มันยื่งเยอะแต่ท่านจะมีการยกประยกอย่างที่หลวงพ่อยกอ่ะคือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้แต่ทุกวันนี้เรามีนิทานไว้เต็มตู้เลยไว้หลอกชาวบ้านฟ้ากับต่างประเทศทั้งปรญษามันกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีว่าวันข้าวปัญาทุกคนพระต้องฟังธรรมใช่ไหมคุณเคยไปฟังกันไหมที่วัดอ่ะคุณเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เคยเข้าวัดคือเข้าเหมือนกันป๊อปแป๊ ไปถวายทานถวายสังฆทานไปถวายอาหารทุกหลักบ้านแต่เคยไหมว่อาอนุพ่อนี่มนเทพสักกัรหนึ่งหนูจะนั่งฟังเนี่ยเคยไหมอนุพ่อนี่มนเทศเรื่องวิปัสนาให้ฟังหน่อยเคยไหมคุณเคไปวัด น, นั่นยากไหมแค่ไปวัดแล้วคุณนั่งฟังเทศมันก็ยากอยู่แล้วอย่าไปพูดถึงเรื่องความเป็นพระอริยะเลยมันยากขนาดไหนสิ่งที่คุณสามารถทําได้อ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ทําเพราะอะไร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 ไปดูว่าวัดไหนในเชียงใหม่เดี๋ยวคุณไปเซอร์เวจแล้วมีวัดกรรมฐานกี่วัดแล้วก็คุณไปวัดกรรมฐานทุกวัดแล้วคุณไปสนทนาธรรมทุกวัดที่ไปวัดกรรมฐานแล้วคุณไปหาพระที่พูดคุณเข้าใจได้ในสิ่งที่ท่านพูดในภาษากายภาษาใจแล้วก็คุณก็ไปหาพระองค์นั้นอยไปศึกพระเขาแนะ่ ไปเจอพระหนุ่มเขานะไปเจอพระที่ยังเนียไม่ค่อยถึงธรรมะเนี่ยพระก็หวั่นไหวนะไปเจอผู้หญิงไปคุยบ่อยๆใช่ไหมเขากา็คิดไปว่าพระชอบเราเสร็จแล้วเราชอบพระเสร็จแล้วมันก็จะเกิดกรณีอ ย, อย่างนี้ขึ้นอย่างมีวนอย่างนี่ก่อนอย่างอยันต์ตัดตัวขึ้นมาแล้วทั้งนั้นเรื่องนี้จึงอันตรายแต่ถ้าจะไปอย่าไปคนเดียวต้องไปกับใครไปกับเพื่อนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแต่เป็นผู้ชายโอเคไม่มีปัญหา ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ชนขึ้นไปอย่างน้อยก็ป้องกันพระไม่ให้มาหลงลักคุณอย่างน้อยก็ป้องกันคุณไม่ได้ไปหลงลักพระในกรณีพระองค์นั้นพูดพราะลูกหลอเสียงใสนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือยุคสมัยของมิจฉาชีพมันตป็นไปได้ทั้งนั้นนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้แค่ ง, ง่ายๆอย่างเนี้ยเรายังยากเลยใช่ไหมไล่ความที่จะไปสู่ความเป็นอริยะอรหัตกหันหนะ่ะอย่าไปพูดถึงเลยแต่วันนี้เราเริ่มแล้ว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 โอ้ยากนะคุณไปสำรวจดูในเชียงใหม่เนี่ยมันมีวัดกับวัฒน์กี่วัดแล้วชวนท่านพูดเรื่องเหล่านี้ดูท่านจะพูดได้มไหมเคพร้อมไหมไม่พร้อมมาดูเลยเห็นไหมเลอไม่สามารถตัดสินได้ว่าท่านรู้หรือไม่รู้ใช่แต่ว่าคุณเคเคยเลี้ยงหมาไหม เรียนครับคุณรู้ได้ไงหมาคุณหิวข้าวตอนไหนคุณถามมันไหมไม่ถามแต่ทำไมคุณรู้ละ่ะรู้เพราะสังเกตใช่สัญชตาตญาณในการรู้ความจริงของคนทุกคนมันมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเลือกว่าเป็นมนุษย์แม้แต่หมามันยังรู้อยากไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่อยากเลยอันนี้คือข้อแทจริงใช่ไหเค ใช่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคิดว่าเราจะรู้ได้ไงว่าท่านเป็นภาพจริงหรือภาพปลอมไม่ยากเลยเพราะหมามันพูดไม่ได้คุณยังรู้จักมันเลยอันนี้ข้อเท็จจริงนะหลวงพ่อไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ประมาทคุณนะใช่ไหมอันนี้คือข้อเท็จจริงสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงไว้ในบ้านมันต้องการอะไรใช่ไหมเรารู้เลยหมามันจะกินอะไรแมวมาจริงกี่ลาเวลาไหนแล้วมันจะขี้ตรงไหนเมื่อไหร่แล้วคุณหาที่ให้มันพร้อมเลยใช่ไหม แต่เราพูดกันไม่รู้สักคำเดียวแต่เรารู้ภาษากันนี่คือเรียกว่าอะไรปรมาภถภาษาโดยที่ไม่ต้องใช้สมมติเลยดังนั้นเวลาคุณไปหาพระคุณก็ต้องใช้ปรมาภะภาษาวันนี้คุณจะรู้ตั้งใจให้ดีเพราะเมื่อวานคุณรู้รูปนามแล้ววันนี้คุณจะรู้ดังนั้นเองการขอโทษการที่เรา ปฏิบัตินั้นไม่ใช่สิ่งที่เราทําไปโดยไร้สาระแต่โอเคพวกคุณโชคดีวพวกคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ไวมากตอนแรกหลวงพ่อมีความหวังเลยนะว่าจะทําให้พวกคุณมานั่งฟังได้อย่างนี้อนนโอ้คุณเจนหลบนี้คนณระทีระถางแอบตรงนั้นแอบตรงนี้พอให้มันแล้วๆไปแต่เรื่องผิดคาดมากเหตุการณ์อย่างนั้นเป็นเแค่ ว, วันสองวันแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ปรากฏว่าพวกคุณทุกคนฟังลวงพ่อ ร, รู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจด้วยซึ่งเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากโอเค หลวงพ่อไม่คิดมาก่อนว่าคนระดับพวกคุณมีสังคมอย่างนี้มีการศึกษาอย่างนี้จะจะมานั่งฟังพระได้พูดยาวขนาดนี้มีน่าเชื่อเลยใช่ไหมแต่เคมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมตรงนี้ถต้อครับดังนั้นหลวงพ่อจึงมีความสุขมากแต่ครสนี้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 สาวในระดับพวกคเป็นล้าะนๆะแต่ที่มานั่งตรงนี้เพียงหยิบมือเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือหนูโอกาสของคุณคุณพลาดไม่ได้เลยในโอกาสเป็นล้านล้านคุณแต่คุณมีโอกาสณนะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นเราอย่าประมาทอีกเลยนะนั้นในช่วงนี้จากนี้ไปสิบห้านาทีพวกเราจะออกไปเดินจมกลมุ่มแล้วหลังจากเดินจบกลุ่มแล้วจะเรับไปรับเล็กไฟ แต่นนในเชาานี้ขออนุทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะนำเอาสิ่งที่หลวงพ่อพูดตอนเช้าเนี่ยไปพิจารณาใค้ควนตรดตองแล้วลงมือทาในส่วนไหนที่ลงมือทาแล้วไม่เข้าใจไม่ชัดเจนพวกหลวงพวว่อวานจาันที่นี่จะให้การอธิบายและให้คำตอบได้เชื่อมั่น ภาควาจารย์ของเราที่มาที่นี่อย่างน้อยมีประสบการณ์กับเรื่องนี้มาเป็นสิบสิบปีขึ้นไปคงจะไม่ให้คัาตอที่ผิดกับพวกคุณดังนั้นถึงขออนุโมทนาในความตั้งใจที่สามารถนำสิ่งนี้ลงไปสู่ภาคการกระทำด้วยกันทุกคนทุกท่านคื อ, อ